อธิกรรมังสมภลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี เป็นแหล่งวิชาอาคมเมื่อครั้งที่ยังเป็นรายธานีขันกวามรุ่งโรธล่มสลายไป คำพีร잔 Blairkit ตลอดจนผู้มีวิชาอาคมก็ substantially จะตกทอสืบกันมาก็เป็นส่วนน้อยถ้าเกะจิลย์อาจารย์ในส Lunarj频 มีวิชาอาคมแก่กล้ายิ่งนักก็เห็นจะมีหลวงพ่อ 7 ถือว่าเป็นพระเกจิ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคง หลวงพ่อจงพุทธสโรได้รับการขนานนามว่าทางฝั่งตะวันตกของพอๆกับหลวง หลวงพ่อปานซึ่งท่านเป็นพระหมอ 6 ชนิดก็ไก่หนุมานปลาเม้นและนก ทั้ง 2 พระนั่นก็คืออาจารย์แห่งท้องทุ่งบางบานสมัยก่อน ผู้เป็นอาจารย์ของ 2 พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่ง ล้อมรอบด้วยกุฏิสงฆ์จัดระเบียบเป็น และเป็นวิหารปพุทธสายาตซึ่งเดิมทีสมัยหลวง แต่ว่ายุคสมัยของท่านนั้นวัดมีเพียงหมู่กุฏิสงฆ์เป็นเรือนไม้ประกอบด้วยกุฏิหลังประธานแล้วก็กุฏิสงฆ์ศาลาการปะเรียนกว้าง คนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าครั้งเมื่อหลวง ท่านยังเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานผู้ทรงอภิญญามีวิชา ทั้ง 2 พอเจอกันยามไหนก็เป็นว่าต้องลองวิชา โยมแม่ชื่อนังคลิป 5 แห่งราชวงศ์ 6 มีนาคมปี 2415 พออายุ 2435 ที่พัทธสีมาวัดหน้าต่างใน และพระอาจารย์โพเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในเป็นๆอยู่ที่วัดหน้าต่างใน ผู้เรืองวิทยาคมอีกหลายรูปก่อนที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสคงอี ชาติหมายถึงหลวงพ่อจาตวัดบางกระเบา เป็นเลิศถ้าอาจารย์ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อจงมากที่สุดก็คือจะเป็นไปได้ว่าวัดภิกุลนั้นอยู่ บริเวณนั้นเป็น 3 แยกปากแม่น้ำทางหนึ่งแยกลงทิศตะวันตกผ่านวัดบางปะหมออยู่แต่ถ้าจะไปวัดบางปะหมอจะ ขົນทางไปมาระหว่างวัดภิกุลกับวัด ทางด้านที่ตะวันตกของวัดบางปะหมออยู่ในเขตตำบลบางนวมโคอำเภอเสนาไม่ไกลจากวัดบางปะหมอ โยมพ่อโยมแม่นำท่านไปฝากไว้กับหลวงปู่คล้ายหรือว่าเจ้าอธิการคล้ายสมภารรูปแรกของวัดบางหนองโคให้ฝึกหัดขานนาคให้คล่องก่อนจะปี 2438 โดย พระอาจารย์จ้อยวัดบ้านแผนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์อุ่มวัดสุทธาโพธิ์ ทั้งหลวงพ่อจงกับหลวงพ่อปานต่างก็มีพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ซึ่งภายหลัง ต่อมาทั้งสองเป็นสหธรรมิกซึ่งกัน เมื่อท่านนะก็ให้ตัดรักโลภโกรธหลงอย่าหวังรวยถ้ารวยแล้ว อย่ามัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์เพราะนั่นคือเครื่องทวงกิเลสยศลาภใจ ห่างจากฝั่งแม่น้ำน้อยออกไปไม่เท่าไหร่จะ แล้วก็มาทําทางราดยางให้กันคมนาคมทางบกสะดวกขึ้น ชาวบ้านมีอาชีพหลักก็คือการทำข้าวในนา มันเป็นชีวิตบนผืนนาที่ชาวนาใหม่ๆมาเป็นลูกๆเพราะ เมื่อเป็นพระใหม่ก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่ มัชฌิมาก็ท่องได้ทั้งเล่มจนคุ้นใจ 4 คือนะมะพะธะให้ท่องเดินหน้าถอยหลังจนชำนาญ หลักถ้ามีสมาธิแล้ววิชาอะไรก็เรียนได้การเรียนคาถาอาคมก็ จนกระทั่งจิตสบายสมาธิเป็นหนึ่งเป่ากุญแจพรวดเดียวหลุดออกทันทีใช้เวลาเดือนกว่าจึงสําเร็จสร้างความดีใจแก่ภิกษุปานเป็นยิ่ง ปรากฏว่าทุกดอกหลุดหลัวออกมาหมด การรักษาคนไข้ของ 2 วิธีคือการใช้ 2 ขนานคือ 1 ขนานใบ 1 ขนานเป็นยาทาง 4 ตำลึง 4 ตำลึง ใส่ลงไปในหม้อน้ําเอาน้ําใส่ลงไปแล้วสวดอิติปิโส มีวิธีตรวจโรคก็คือเสกหมากให้กินหมากจะมีรสหวานรสเปรี้ยวรสขมรสเเวือนร้อนหูร้อนหน้าถ้ามี หลวงพ่อปานศิษย์เอกจนหมดสิ้นสายวันหนึ่งมีคน เดี๋ยวว่าแล้วภิกษุหนุ่มก็เตรียมตัวจัดแจงคว้าถัง หลวงป้าสุนถึงก็ยิ้มยิ้มอย่างอารมณ์ เย็นวันเดียวเองพอแขกกลับไปหมดแล้วอาจารย์ใหญ่ผมเรื่องน้ํานี่ไม่ต้องเดิน อยากจะอยากได้ครับวิชามั้ยล่ะมันเป็นคาถาตักน้ําอยากๆ หลวงพ่อปานก็นิ่งเพื่อถูกถามตรงใจดําเรียนหมอมันดีนะลูกช่วยคนเราจะได้ เอ่อแล้วแล้วทําแบบไหนล่ะครับวางพื้นฐานด้านกําลังใจ สอนให้ปฏิบัติพระกรรมฐานในขั้นต้นให้ละนิพพาน 5 ใหให 4 ให้ปฏิบัติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลา หายใจออกวาโทแล้วเพ่งรูปพระพุทธรูป ท่านสอนทีเดียว 3 อย่างแล้วก็ให้ภิกษุปานไป พื้นฐานกําลังใจที่พ่อให้ไว้น่ะทําเออเจ้าเห็นพระเป็นสีแก้วประกายพฤก การทรงเวลาก็คือการตั้งเวลาจะใช้ชั่วโมงก็นับ สิ่งใดก็ตามที่เจ้าทําได้พ่อต้องรู้เพราะพ่อได้มาก่อนเจ้าทําทีหลังไม่ ที่ตำบลบ้านน้ำเต้าตอนนั้นมีชีวิต หลวงพ่อปานหวนคิดติดใจในเรื่องการตักน้ำใส่ตุ่มด้วยพลังจิตของพระอาจารย์ใหญ่ก็อยากจะได้วิชาบ้างแต่ว่าท่านก็ไม่กล้าบอกขอเรียนวิชาคิดแต่เพียงว่าสุดแล้วแต่พระอาจารย์ท่านจะสอนอะไรเราก็จะรับไว้แล้วก็เพียรปฏิบัติให้ถึงที่สุดแค่แวบเดียวแห่งความคิดหลวงพ่อสุนทรพระอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาก็รับรู้ในจิตสัมผัสว่าลูกสิทธิ์คิดอย่างไรต้องการอย่างไร ท่านก็ยิ้มใช่ครับเจ้าอยากจะได้วิชาตักน้ําด้วยใจใช่อาจ สังฆสอล์บอกว่าตอแต่เราตั้งอย่างไหนก็ทําอย่างนั้นนี้ไปไม่ยากนะอารมณ์เดิมที่ทํามาแล้วเนี่ย แล้วถ้าภาพน้ําหายไปก็ลืมตาดู การฝึกปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาของหลวงพ่อปานเป็นไปพระ นั่งธรรมกับอโปกสิณติดขัดสงสัยตรงไหนก็ เรเราก็เอากสิณน้ำนี่แหละเพ่งเข้าไปช่วยเพ่งเข้าไปให้มัน หลังจากนั้นหลวงพ่อสุนก็พาหลวงพ่อปานเข้าไปในป่าช้าเพื่อทดลองวิชาให้ดู ให้ทำฝนตกเป็นเม็ดใหญ่ตกประมาณ เป็นพระวิชากสิณน้ําหรือว่าอาโปกสิณที่พระอาจารย์สุนทร์ เขาเรียกว่าโยกสินเวลาเจ้าทําให้ฝนตกพ่อก็บรรจานให้ วาโยกสิณคืออำนาจทางใจและวาโยกสิณยังเช่นใช้ลมหอบผลไปตกที่ ถ้าสําเร็จแล้วเจ้าจะเหาะเหินเดินอากาศได้หลวงพ่อสุนก็เฝ้าสั่งสอนศีลรักให้เล่าเรียนวิชากสิณอย่างใกล้ชิดซึ่งหลวงพ่อปานก็น้อมรับมาปฏิบัติอย่างตั้งใจหลวงพ่อสุนบอกหลวงพ่อปานว่าการเรียนกสิณมันไม่ใช่ของ หลวงพ่อปานว่าการเรียนกสิณมันไม่ใช่ของยากถ้าเราได้อย่างใดอย่างหนึ่งอีก 9 อย่างก็ไม่ยากเย็นของมันเหมือนกันถ้าได้ฌาน 4 แล้วทำกสิณอย่างอื่นก็คล่องขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 9 กองเป็นของไม่ยากหลวงพ่อสุนก็ชี้ให้หลวงพ่อปานดูกิ่งไม้ที่เหวัย อาการให้จับภาพนั้นไว้ในใจเก่งไม้หวัยเป็นอาการของลมพัดให้จับภาพนั้นไว้ในใจ นั่งกรรมฐานเพ่งวายุกสิณอยู่ในโบตร สร้างความยินดีปรีดาให้กับพระใจก็นึกอยากจะไปเที่ยวบังกอกหรือ มาถึงหลงพ่อสุนท่านจําวัดอยู่ในกุติหน้าวัดตามเดิมแต่ว่าการไปเที่ยว ถ้าเจ้าบ้านจะเห็นจะเป็นโทษตามที่ หลงพบค遹เป้าบริญเคียว detective กระสินเมื่อจบจากวิชาหนึ่งก็เรียนอีกวิชาหนึ่ง kali thang ped哈囉กระสินยาชักลายส 저희가ทางสำเร็จwehr หลังจากนั้นก็ต่อด้วยอโรคสินเป็นแสงสว่างแล้วก็ตามด้วยอากาศกสิณปีตกสิณ ตอนนี้หลวงพ่อสุนท่านนั่งเป็นประธานแล้วก็คอยดูลูกศิษย์รักษาคนๆเข้ามาหนาว เป่าให้เค้าหายหนาวสิความจริงถ้าเจ้าจะ มันจะได้พูดกันรู้เรื่องไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องน้ำมันสั่นงักๆๆอยู่อย่างนั้นจะไปพูดรู้เรื่อง การต้มการรักษาโรคด้วยสมุนไพรใบ ถ้าให้มันเป็นช่องวางสงสัยต้องทําร่างกายของคนไข้ให้ ท่านสอนให้รู้สภาพของอากาศานัญจายตนะว่าในโลกนี้ ที่ไหนมีเครื่องปิดบังไหนมีเครื่องปิดบังเราก็ใช้อากาศกสิณเป็นเครื่องทําลายไม่ว่า ทุกอย่างที่มันเป็นความจริงอย่างที่มันเป็นความจริงนอกจากนั้นอโลกสิณหรือว่าอากาศ แล้วคือไปเพียงคนเดียวให้ลูกเป็นการเรียนทางภาคปฏิบัติออกทุรดงเดี่ยวคือๆมัก เพราะว่าจะต้องปะจนกษัตริย์ป่าที่ดุร้ายไข้ป่าพูดผีปีศาจแล้ว พอกลับมาถึงหลวงพ่อศรก็เรียกเข้าๆเจ้าก็เรียนไปหมดแล้วตอนนี้ ระยะทางใกล้กว่าที่นี่มากก็ดีเหมือนกันไปอยู่วัด หลังจากนั้นหลวงพ่อปานก็เดินทางจากวัดบางประหมอโดยมากับพระๆให้กับ จันทวีโรเจ้าอาวาสวัดบางประหมอท่านบอกว่าหลวงพ่อลิงดำเคย มีหลักฐานคำกล่าวจากหลวงพ่อสุนทรีว่าบาน และอุปัชฌาย์นั้นเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขอได้วันต่อไปครับสวัสดีครับขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์ มอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าวและภิกษุสามเณรที่สนใจติดต่อร่วม